หาพนิพพานไม่ได้มักจะไม่ทํากิจแสวงหาพระนิพพานนะถ้าไปอยู่ในมิจฉามักอยู่ในมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปรามิจฉาวาจามิจฉากรรมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติแล้วก็มิจฉาสมาธิตัวมิจฉามักทั้งหลายมันจะแสดงหามันจะแสดงแสวงหาพนิพพานที่ผิดนั้นคนที่มีมิจฉาทิฏฐิเป็นตัวนําทั้งหลายก็ไม่ได้พระนิพพานแล้วก็ท่องเที่ยวกันอย่างพวกเราทั้งหลายนี่แหละ ที่ผ่านมานี่เราสแสวงหามักผิดนึกว่าจะคว้าสัมมามักแต่ไปคว้าไม่ฉามมักมันก็เลยไปผิดทางกันเลยเล่นถ้าหลายร้อยหลายพันอสงไขยเลยนี่นี่โทษของการความมักผิดตั้งอัธยาศัยใหม่ใช่ไหมมักเขาตั้งกินในพระอัตถวส่วยแวห่งพรนิพพานทีนี้มักนั้นอันบุคคลพูทต้องการพระนิพพานเพิ่งสแสวงหาเราต้องการพระนิพพานไหมล่ะประารถนาพระนิพพานใช่ไหม เราก็ต้องสแสวงหา เ, าเมื่อจะแสวงหามรรคอยู่ที่ไหนมรรคอยู่ในพระธรรมวินัยของพระผู้มีพระเจ้าใช่ไหมใช่ไหมพระเจ้าบอกว่าอาริยมรรคมีองค์แปดมีอยู่ในพระธรรมวินัยนี้มีอยู่ในพระธรรมวินัยของพระเจ้านี้นั้นต้องมาสแสวงหาในพระธรรมวินัยของพระเจ้าคนบางคนเข้ามาสแสวงหาความมรรคผิดจริงเลยคือรู้แต่ประชุมมากไม่ได้ไปเป็นคนเชื่ทางเลยแต่เนี้ยเห็นไหมเนี่ยถรงก็เออเป็นเรื่องน่าคิดมาก อันี้เราอัดถ้อัดไม่ลึกเนี่นะอัดแล้วปัญญชนะไม่ลึกเราเจาะความเนื้อความนี่ไม่ได้เลยนะแล้วก็จะไม่รู้เลยแล้วเอามาใช้ไม่ได้เนี่ปัญหาตรงเนี้ยมันเจาะทะลุทะลวงไม่ได้เอาเราจะกล่าวคล่องอยังไงก็กล่าวไปเถอะแต่ถ้าคุณประชุมแล้วสแสวงหามากไม่ได้ไม่เป็ น, นยุ่งแล้วคุณจะไปนิพพานยังไงจบเล ย, ยงั้นนี่เข้าใจนะเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้ต้องชัดทังการเดินต้องชัดไอ้ตรงเนี้ยเวลาเราไปนั่งคุย ส่วนนนาอะไรกคก็ต้องต้องชัดตรงนี้ต้องบอกเขาบอกว่าเอาอัดของมากไปคุยอัฏฐานอัดของอาของมากก็เป็นเออเป็นนิรุตนะว่าง้การขยายนะฮะการวิเคราะห์โดยในเมียที่ว่าสัพพานังมัคคตินิพานัตทิเกหิวามคัคคยติกิเลเสวามาเรเณโตคัจฉตีติมโค ถ้าคนเรียนมรรคขังคาเรียนมรรคอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีมีตรงเนี้ยไปสับวิเคราะห์อจะมีถ้าเรียนวิทยาธรเนีลยแต่คนไปอ่านอัถา น, นี้แล้วก็ไม่ได้เจาะอัถาไม่ถึงนเอ่ทั้งบททั้งปัญญชนะไม่บริบูรณ์ก็ลําบากเลย ต, ตรงเนี้ยนะต้องต้องเข้าใจนอกจากเข้าใจอาศัยบุญเก่าหนุนด้วยนะถ้าบุญเก่าไม่ดีจะยุ่งเลยนะ เพาะบาปเก่าเยอะเงี้ยศึกษาแตกชานก็ริงอยู่เนี่ยบาปเก่าก็คอยมาแทะให้หลงผิดอยู่เรื่อยเนี่อันนี้ต้องระวงังเ อ, อต้องระวงังที่เพราะอะไรรู้ไหมบ่าปเก่ามันทํางไปเกิดมานะมานะก็ไปจับคําสอนพยัญชนะผิดอัตถะผิดแล้วเข้าใจผิดไปเลยทียนี้แล้วก็คนก็โอ้โหตีความคนนี้จบมาเนี่ยเลยจบมาสูงๆไงไอเรารู้น้อยกลาบากเล ย, ย, เ ย, ยอย่างเงี้ยไม่รู้จะไปอธิบายไงแล้วท่านรู้มากไปแล้วเนี่ยลาบากเลยยั้งท่านนี่มันผิดเนี่ยเรารู้ว่าผิดเนี่ย ใช่ไหอันนั้นก็ต้องว่ากันไปอันนั้นกในเชิงโครงสร้างแต่ปัญหาคือเราอย่าผิดนลยเนะอันนั้นชื่อว่ า, าร์คเพราะว่าถ้ว่าแสวงหาพระนิพพานใช่ไหมตัวมาร์คเนี่ยนะสมาทิฏิสัมม า, ส, มมาสังกปรเป็นต้นจนถึงส ม, มาส ม, มาธิเป็นที่สุดเก่าคือสีส ม, มาทิปัญญาที่เป็นมาร์คนั้นก็ท่านจะสแสวงหาพระนิพพานถ้าใครประชุมมารคได้เนะที่เป็นมาร์คใช่ไหมที่บอกทำไมตรงนี้ไปเชื่อมโยงกันในสติปัฏฐานใช่ไหมเอากายโนย่างพิเวมารโข ไปต้นว่าดูก่อนพิจารณาทางนี้เป็นทางสายเอกเลยทางสายเอกกนี้ก็คือว่าเนี่ยทางสายเดียวเท่านั้นที่จะเป็นที่จะแสวงหาพนิพพานได้คือมรรคก็เรียมรรคที่ตรงนี้นี่นี่ตรงเนี้ยนะส่วนว่าบุคคลอัตวะอันบุคคลผู้มีความต้องการนิพพานทั้งหลายแสวงหาไอ้นี่เนี้ยสําคัญมาหรือเชื่อวามรรคก็แต่ว่าฆ่าเสียซึ่งเกเรทั้งหลาย อย่ันนี้นะธรรมมรรคนี่ยเขาทำกิจในการฆ่าสิกิเลสศีนเนี่ยเขาฆ่าโทสางเนี่ยสมาธิฆ่าโลภะเงี่ยเนี่ยเดินปัญญาฆ่าโมหังชัดเลยเขาฆ่ากิเลสฆ่าแบบประทางท้าปะหาในโลเกียฆ่าแบบสมุจเจท้าะหาในโลกุทระนี่ชัดตรงเนี้รู้กันแต่เดินไม่ได้ตรงอนี้นะปัญหาเดินศียังไงเดินสมาธิเดินปัญญายังไงนี่ตัวเองอีกในหนึ่งนะอสุป ทุกแล้วก็ทุกคำสุขเนาะขยายหน่อยขยายอัดช่ว่าตแรกยตอนของเช่นอาทิตตั ย, ยงนสที่ท่านพูดย่ายอดส่นแสดสิ่งมันคตรขงวานยังไม่คิดว่าจะ เ, เกสรุ่พอมาขยายนี่คือพวกทีบปัจจนวอื ม, อมอยังคิดว่าอ๋อองค์องค์กาลงลขึ้นมานบทตั้งนันบทตั้ง แต่ตรงนี้ก็เป็นเหตุได้แต่สรุปได้ใช่ไ้ยเพคะว่าถ้าคนสมบพิที่มีปัญญามากอือตอนนั้นยังตั้งอยู่เนี่ยบทตั้งของสิงห์ทัพวงใช่ไหมถ้าบอกปุ๊บเนี่ยจกักโสเป็นของร้อนเนี่ยอย่างเงี้ยนี่นี่คือปัจจาหรือว่าเอออย่าอุกิดแล้วอย่างเงี้แบบประเภทต่แบบนะถ้าบอกไปบทตาเป็นของร้อนูกเป็นของร้อนแค่นี้ชัดแล้วเนยนี่คือพวกอืมทีนี้บอกว่า มันเป็นบทอันทรงวิเคราะห์นะเวทะยะตีติเวทนาชื่อเวทนาพราะอธถวสุเลยเนาะเพราะว่าสวยทีนี้ถ้าจะขยายให้พิสดารนะสุขยะตีติสุขขาเวทนาชื่อสุขพระอธถว่าทาให้สบายใช่ไหมเวสุกเวนี่ขยายเนะี่ยทุกขยะตีติทุกขาเวทนาชื่อทุกพระอธิว่าทำให้ลา บ, บากเนวทุกขะยะติ ณสุขยะตีติอทุกรรมสุขาชื่อว่าอทุกรรมสุขาเพราะอาจจะว่าทําให้ลําบากก็ไม่ใช่ทําให้สบายก็ไม่ใช่เรียกกลางๆเนี่ยตรงนี้ที่จริงจะว่าลําบากก็ไม่ใช่จะว่าจสบายก็ไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ชื่ออานิเทศเพราะเป็นระดับที่กล่าวโดยไม่มีส่วนเหลือเลยทีหมดแล้วกล่าวขยายเลยใช่ไหมทีนี้พรหมจันทร์ คือาศาสนะตรงนี้เข้าใจเลยนะาศาสนะพรหมจันทร์เป็นต้นเหล่านี้นะพร้อมด้วยพยัญชนะเพราะเป็นความถึงพร้อมด้วยพยัญชนะบทมีลักษณะเป็นต้นเหล่านี้เอย่าแปลกนะเขาฟังเขาเป็นรู้นะอัศทะพยัญชนะเขาลรกงจริงน ะ, นะขงนะขเขาเข้าใจอ่ะพอพูดปับนะ๊บเนี่ยเขาโอ้เจาะทุกมุมเนี่ยฟังก็ตื่นเต้นเลยก็บัณฑิตพึงทราบความประกอบพร้อมด้วยอัถบทและความถึงพร้อมแห่งพยัญชนะ แห่งพรหมจันทร์นั้นด้วยประการดังกล่าววันนี้เนี่ยสาทั้งสาพยันชนะงเกวระปริปุนังปริสุทธังพระเมื่อจาริยังประกาเซซีบะทรงประกาศพรหมจันทร์คือแบบแห่งการปฏิบัติไปเลยแต่เนี้ยไปคนละมุมเลยเนี่ยไปเลยแต่เนี้ยเวลาสวดเนี่ยเข้าใจอย่างตต่เนี้ยตรงเนี้ย คือแบบแผงการปฏิบัติอันบริสุทธิ์ประเสริฐบริสุทธิ์รบริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะเอ่ยยังยังกลับมาคงไวอไอ้อีกกลับมาคงไว้จริงๆเป็นยังไงกระแป้ได้ดีนะพระพรุทธเจ้าก็ประกาศโดยด้วยอัคคระทั้งหลายแล้วก็ย่อมประกาศโดยประการบททั้งหลายดังการนะทีนี้ก็ขยายด้วยพยัญชนะทั้งหลายก็จําแนกตัวการทั้งหลาย และทรงกระทำให้ตื้นโดยนิรุธทั้งหลายด้วยนะแล้วก็ทรงบัญญัติด้วยนิเทศทั้งหลายด้วยจริงอย่างนั้นนะท่านถือเอาบทโดยหัวข้อคือการนำเอาส่วนย่อยของบทแล้วก็การจังรู้เนื้อความของบทด้วยบทที่ถือเอาแล้วก็ย่อมได้แก่บุคคลผู้มีการกำหนดในเบื้องต้นให้ออกถือแล้วว่าเพราะฉะนั้นนะพระพุทธเจ้าทรงประกาศโดยย่อโดยอักษรละทั้งหลายเพราะอะไรเพราะเนื้อความที่ทรงแสดงอยู่โดยย่อโดยอักษระทั้งหลาย ที่ได้ทรงประกาศไว้ทีแรกด้วยบทเพราะโดยความที่ภาคนั้นยังไม่จบเนีเรื่องนั้นยังไม่จบก็ย่อมเป็นอันทรงแสดงแล้วเพราะฉะนั้นจึงทรงประกาศโดยประการด้วยบททั้งหลายก็ในเวลาที่ภาคนั้นจบเนื้อความนั้นย่อมเป็นอันทรงกระทําให้ขยายแล้วให้เปิดเผยแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจึงทรงขยายด้วยพยัญชนะทั้งหลายก็เพราะทรงจําแนกภาพโดยการขยายแล้วเนื้อความนั้นชื่อว่าเป็นการจําแนกแล้วเพราะฉะนั้น ไอ้ตรงนี้ก็คือว่าทรงจำแนกโดยอาการทั้งหลายแล้วก็ทําให้จำแนกและวิเคราะห์ส่วนวิภาคต่างๆส่วนต่างๆไปแล้วเนื้อความนั้นก็ย่อมเป็นอันปรากฏจึงทําให้ตื่นด้วยนิรุตทั้งหลายและการประเราประโรมจิตใจการรับปัญญาให้คมของเวเนยศัสตร์นั้นให้คมให้แก่กล้าเนี่ยนะให้ถึงความในการที่จะเป็นปัจจัยแก่การไปตัดกิเลสและละกิเลสได้เป็นต้น พระพุเจ้าแสดงธรรมเนี่ยในขณ ะ, ะที่แสดงไปหนึ่งการเห็นโทษของกิเลสมากขึ้นมากขึ้นนั่นคืนพอพระธรรมของพระพุทธเจ้ามาขัดเกลีวปัญญาเนีมาขัดเกลีวปัญญ า, า, าของสาธุชนของเวเน ย, ยชน art, นะเวเนยสัตว์นะขัดเกลีวปัญญาปัญญาก็คมขึ้นละเอียดขึ้นชัดเจนขึ้นมองเห็นสว่างขึ้นสว่างขึ้ น, านจากาจากมืดมืดก็เริ่มเทาๆจากเทาๆ go, ก็กลายเป็นเริ่มสลัวสลวจากสลัวก็เริ่มสว่างสว่างก็เริ่มจ้าเลยเงี่ยนะคนก็ไปเข้าใจโอ้สว่างจ้าเหมือนดวงอาทิตย์เนี่ย แต่คนในกิรลักษณ์อะไรเงี้เนี่ยนั่นนะครับตะลองสว่างจ้าอย่างพุทธเจ้าโอ้โหอย่างดวงอาทิตย์สาดแสงแจ่ชาวโลกเลยนี่รับปัญญาของเวเนยชนทั้งหลายให้คมย่อมเป็นอันทรงกระทําแล้วด้วยส่วนย่อของภาคที่ได้กระทําวิเคราะห์แล้วได้แสดงแล้วโดยไม่มีส่วนเหลืออย่างพิสดารเพราะฉะนั้นทรงบัญญัติ ด, ด้วยนิเทศทั้งหลายด้วยการอย่างนะประการต่อไปคือว่าพุทธเจ้าก็เปิดเผย อ, อักขระคืออักษรเนี่ยนะ แล้วทรงแนะ น, นําแนะนําใครบ้างแนะนําอุคติตันยูด้วยบททั้งหลายเปิดเผยพยัญชนะแล้วก็แนะนําวิปจิตตันยูด้วยอาการทั้งหลายแนะนํานิรตุตติและแนะนำเนยะบุคคลด้วยนิเทศทั้งหลายใช่ไหมก็คือใช้ภาษาอย่างมากมายเลยใช่ไหมเอามุมนี้ไม่เข้าใจเอาอีกมุมหนึง่งมุมนั้นไม่เข้าใจเอาอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะพระองค์ฉลาดในนิรุตติอยู่แล้วฉะนั้นสามารถจะ ใช้สั์ให้สัตว์นั้นเข้าใจจนได้เนียสามารถจะอย่างดูอธัธยาสายสัตว์เนี่ยนะว่าเข้าใจเรื่องอะไรมาก่อนนี้ในสังสารวัฏนี่ฝังแน่นเรื่องเลยหยิบเรื่องนั้นมากล่าวเล่าพระธรรมไปสอดรับกับอธัธยาสัยนั้นเขียนแจ้งในขณะนั้นได้เนี่ยีเราเนี่ยเหมือนนั่งมึดๆกันอยู่เนี่ยนะมืดทั้งผู้แสดงมืดทั้งผู้ฟังอย่างนี้เลยไวโพสคําที่ใช้แทนนะใ ช, ใช่ใช่่มีเขามีไวโพสมากมายเนาะในการที่ใช้แทนกันย่อมเป็นอันกระทาไว้แล้วเนี่ยนะทีนี้ ก็ทรรมเทศนานี้ที่ทรงเปิดอยู่นี่นะย่อมแนะนำอุคติแันยูบุคคนนะที่เผยอยู่เนี่ยย่อมแนะนำวิปจิตแตนยูที่ทรงนำไปแล้วก็แนะนำเนยยะก็เปิดอยู่ในเบื้องต้นนี่แหละเผยก็คือขยายนะแล้วให้เป็นไปแล้วก็คือให้พิสดารไป เ, เลยคนละเรื่องเลยเปิดแล้วก็เผยแล้วก็ให้เป็นไปแล้วเปิดก็คือเปิดให้ดูก่อนใช่ไหมแล้วบางคนเขารู้เลยเปิดปุ๊บเนี่ยบางคนต้อง ต้องต้องบอกว่าอะไรถึงตจสรู้อ้าบอกก็ยังไม่ชัดเจนต้องขยายบอกหลายหลายมุมเนี่ยเขาเรียกแบบเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เปิดคำเผยคําแล้วก็ทำให้เป็นไปแล้วให้ให้ขยายไปแล้วให้ให้ชัดเจนไปแล้วใช่ใช่ก็คอลัตัว เพว่าเมื่อกี้อธิบายมาแล้วลืมลืมลืมบทแรกไปแล้วเนี่ยใช่มลืมลืมคําแรกไปแล้วคื อ, เ, อ, อเมื่อกี้ลืมไปแล้วใช่ไหมเพื่อได้หน้าลืมหลังได้น่าลืมหลั ง, ลลงต้องฮะในเมื่อกี้ที่พูดถึงในเรื่องของเรื่องการเปิดเรื่องการเผยเรื่องการการกระทําให้เป็นไปไงการจําแนกด้วยพิสดารก็คืออย่างนี้ว่า ที่กรณีที่บอกว่าประกาศแสดงทําให้แจงแจ้งประกาศก็คือเปิดแสดงก็คือเผยก็ทําให้แจงแจ้งก็คือนั่นแหละ น, นทีนี้กรณีที่บอกว่าทึ่บอกว่าพระธรรมที่ทรงเปิดอยู่ก็แนะนําอะไรแนะนําอุคติตนอยู่ใช่ไหมอันนี้เขาทันทันใดบรรลุส่วนถ้าเผยอยู่แนะนําวิปกิให้เป็นไปก็แนะนําใครอนยยะ การเปิดเป็นต้นอ่ะการเผยเป็นท่ามกลางแล้วก็การให้เป็นไปการขยายพิสดารนั้นเป็นไปนี้ที่สุดใช่ไหมเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดพระธรรมนี้ท่านแสดงไว้สามประการนะในการสามมีความงามในเบื้องต้นท่ามกลางเละที่สุดไงที่ท่านจัดว่าในงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเพื่อกําจัดโทษทั้งสามอย่างใช่ไหมกับโทษกืโรคะเออเลยราคาโทรศัพ์เป็นต้นนาคุนก็คือศีลสมาธิปัญญาเรื่องต่างๆเลยนี้นะมาให้ เวไนยสัตว์ทั้งสามะ่อมพวกนะนั่นบัณฑิตนั้นพร้อมทั้งพึงทราบว่าพร้อมทั้งอัฏฐาพร้อมทั้งพยัญชนะเพราะความบริบูรณ์แห่งอัฏฐและพยัญชนะด้วยประการดังที่ได้กล่าวไวน้นี้นี่ก็สรุปตรงนี้ก็คือว่ายังไงอัฏฐาและพยัญชนะทีนี้ประการต่อไปก็คือลึกซึ้งโดยอัฏฐาแล้วก็ลึกซึ้งโดยพยัญชนะตรงนี้ท่านก็มาสรุปยังไงพระบรมศาสดาประกาศย่อด้วยอักขระทั้งหลายย่อประกาศความด้วยบททั้งหลายแล้วก็ ย่อมทรงทํำให้ตื้นด้วยนิรุตทั้งหลายถามว่าย่อ ด, ด้วยอะไรย่อมประกาศโดยบททั้งหลายย่อมใครถามว่าว่าพระบรมศ า, ศาสดาสแสดงย่อ ด, ด้วยอักคระใช่ไหมแต่ละบทนนเนี่ยกุศลางี้ยนะอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการเปิดถ้าบอกใช่ไหมเป็นการเปิดนั่นแหละก็อธิบายมาจริงๆริงใช่ไหมตรงเนี้ยเป็นการเปิดว่านี่คือกุศลใช่ไหม ถ้าบอกว่ากุศลารธรรมมาไอ้กุศลายาสมิงสมเยกามาว่าเจ ร, ารังกุสลังกิตตังวินเดอร์เนี่ยอันนี้เผยแล้ว น, นี่เผยออกมาแล้วแล้วยังบอกว่าผัดยังไปจําแนกขยายให้เป็นนั่นไปอีกก็คือผัดโสโหติเวทนาโหติเวินเดอร์อะไรเนี้ยย่อมเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้กลุ่มเนายยะเขาฟังกันอย่างงั้นอย่างเราเนี่ยเป็นเนายยะยังเรียนแบบนี้แต่ะต่ำเอาอเอาไหมอภิธาปรมาเอาไหย ย่อมทรงจะทําให้ตื้นโดยนิรุธธติทั้งหลายก็ทรงบัญญัติด้วยนิเทศทั้งหลายในพรหมจรรย์ น, นั้นพระู Regular, พะุทธเจ้าก็เปิดด้วยอักขละทั้งหลายและก็ในบททั้งหลายแล้วก็เผยใช่ไหมเปิดอักขละทรงเปิดด้วยอักขระทั้งหลายแล้วก็ด้วยบททั้งหลายเผยล่ะด้วยพ ย, ยัญชนะทั้งหลายแล้วทำให้เป็นไปคือทําให้พิสดารด้ยนิรุตทั้งหลายนั่นเองและโดยนิเทศทั้งหลายใช่ไหมนี่เรื่องมองเห็นเลย ในพรหมจรรย์นั้นการเปิดเป็นเบื้องต้นการเผยเป็นท่ามกลางการทําำพิสดารเป็นที่สุดก็คือพิสดาร น, นั่นแหละเป็นไปในท่นั้นก็คือพิสดารพราทํ า, าวินัยนั้นเมื่อทรงเปิดอยู่จ่อมแนะนําใครอุคติตัญญุบันเด็ดทั้งหลายก็ต้งทราบโดยประการแนวพระธรวินัยมีความงามในเบื้องต้นเมื่อเผย อ, อยู่แนะนําใครใหวิปปจิตตัญยุบุคคล ด้วยเหตุนั้นบัณฑิตทั้งหลายจึงกล่าวพระธรรมวินัยนั้นว่ามีความงามในท่ามกลางเมื่อทรงทํำอภิษฎานอยู่แนะนําอะไรในยะด้วยเหตุนั้นน่ะทีนี้ปัญหาแล้วก็ไปเชื่อมได้เลยสิใช่ไหมว่าเปิดในะเบื้องต้นนะอะไรงามในเบื้องต้นศีล ส, สมศีลเป็นความงามในเบื้องต้นก็ได้ใช่ไหมท่ามกลางคือสมถะที่สุดก็คือปัญญาเนี่ยศีล ส, สมถะวิปัสนาเป็นเบื้องต้นอันนี้ใช่ไหมอันนี้เกี่ยวกับอุคติจอยู่ บอกอะไรคือศื่อเนีคือสมถะหรวิปัสสนาก็บรรลุนะใช่ไหมทวิปจิตตันยูเนี่ยว่าไงอบอกอริยมรดุด้วยบอกผลด้วยเขาถึงจะนิพเขาถึงจะบรรลุถ้าในญานี้แค่นี้ไม่พอหรอกต้องบอกศีลสมถะวิปัสสนาด้วยบอกอริยมรด์บอกอริ ย, ออรยผลบอกนิพพานด้วยบอกทั้งเบื้องต้นทำกลางและที่สุดเขาจะย่างยังก็ไปเชื่อมกันอย่างแย่พระธรรมวินัยให้มันไมน่มันสอดคล้องอย่างนี้นี่เป็นยี้ ด้วยเหตุนั้นบัณฑิตทั้งหลายจึงกล่าวพระธรรมวินัยนั้นมีความงามในที่สุดนั่นบอกเบื้องต้นเนี่ยอุกติตีนยนอยู่บรรลุบอกเบื้องต้นและท่ามกลางด้วยวิปิฏิเตันยนอยู่บรรลุบอกเบื้องต้นท่ามกลางยังไม่บรรลุต้องไปบอกที่สุดอีกนี่ยญาบรรลุบางคนต้องเล่นหลายรอบให้เราก็มาส่างข้ออะไรเป็นเบื้องต้นท่ามกลางในที่สุด อ, อันนั้นคือการเปิดอันนั้นคือการเผยอันนั้นคือการทําให้พิสดารเปิดเป็นเบื้องต้นเผยเป็นทา่ามกลางแล้วก็การให้พิสดาร น, นั้นเป็นที่สุด สที่สุปัญญานี้ก็ถูกมยที่ว่ามีหลายในย่างีอย่างเดียวแต่สุนไดอย่างเีอ๋อข้าเกาสีอย่างเดียวก็จริงอยู่แต่ว่าข้าเกาเกาโทษของการไม่มีศีด้วยแล้วข้าเกาข้ากเกาด้วยว่ากรณีนี้เป็นยังไงเพราะสัตว์เหล่านี้ที่เป็นโอคตีเตียนโยเขาปราถนานิพานอยู่แล้วเขาเป็นสปอเป็นอัจยสายอยู่แล้วเหมายตั้งมั่นมาก เรื่องที่เก่าเก่าวโทษของการไม่มีศีลกล่าวคุณของการมีศีลเนีแล้วสมาธิแล้ปัญญาก็ไว้แค่เนี้ยเขาเรียกว่าเขาหาสแสวงหามรรคได้แล้วเนี่ยแล้วบอกว่านี่ทางพ้นทุกข์กัตัวเนี้ยแค่นี้แหละเขาเข้าใจแล้วนิพพานเป็นอย่างนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนั้นมนกลุ่มปัฏปรมาแล้วปัฏฐผลมาแล้วก็เลยเนาะอธิบายไม่จบเล ย, เยอัตถะอัตแหงตันติชื่อว่าอัตแะอธรรมเนี่ย แต่แก่ตันตีแทงตลอดเนี่ยจริงๆมันต้องอธิบายทีหลังเนี่ยแต่เนี่ยเอามาอธิบายก่อนเพราะอีกนานแล้วเกินไงก็จะมาถึงตรงนี้ก็บรรยายไว้ก่อนไะเลยได้เป็นข้อมูลในการฟังมาทำเป็นต้นต่อไปเอาวันนี้ก็สมควรแก่วเวลาแล้ว